5. กับภาวัตรสิกขาบทที่หนึ่งถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้ออ้าปากรอคําข้าวที่ยังไม่ถึงปากในสิกขาบทที่หนึ่งนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐาน คือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา